อที่แปดว่าด้วยผมและช่างตัดผมท่านนายกท่านกรรมการสมาคมช่างตัดผมท่านผู้จัดการโรงเรียนและนักเรียนทั้งหลายก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้จัดการโรงเรียนช่างตัดผมเชี่ยวชาญเกศาและคณะนักเรียนที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาให้โอวาทแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา และจะรับการตรวจสอบความรู้ความสามารถเพื่อไปประกอบอาชีพต่อไปด้วยเวลาอันเล็กน้อยนี้ผมใคร่ขอให้นักเรียนทั้งหลายได้คิดถึงสถาบันอาชีพช่างตัดผมสักเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดคำนึงมาช้านานแล้วทั้งๆ ท, ที่ผมเองก็ไม่มีอาชีพทางตัดผมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตลอดเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านมาแล้ว แต่ในอนาคตไม่แน่นักผมอาจเป็นช่างตัดผมบ้างก็ได้ซึ่งผมเคยปรารถเรื่องนี้กับคุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วผมบอกคุณเชี่ยวชาญว่าผมอยากจะขอเรียนตัดผมจะใช้เวลาฝึกหัดช้านานสักเท่าไหร่และบอกความประสงค์ว่าผมอยากจะหาทางบำเพ็ญประโยชน์เอาบุญบ้างวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ ผมจะเอาเครื่องมือใส่รถขับออกไปตามบ้านนอกรอบๆกรุงเทพแถวรังสิตหนองจอกเมืองมีนและทั่วไปแล้วรับตัดผมให้เด็กฟรีไม่เอาสตางค์แต่เอาบุญเพราะอยากทำบุญแบบนี้บ้างคุณเชี่ยวชาญฟังแล้วก็ยิ้มๆและรับว่าจะให้ผมเข้าโรงเรียนด้วยขณะนี้กำลังรอเวลาอยู่ว่างเมื่อไหร่ก็จะเริ่มทันที แต่ถ้าผมลองดูแล้วได้ผลจะชักชวนคนอื่นบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโรงเรียนสอนศาสนาแก่เด็กในวันอาทิตย์ซึ่งเราดำเนินงานอยู่แล้วเหตุที่ผมคิดจะทำบุญบนศีรษะในเมื่อคนทั่วๆไปทำบุญกันแค่ตาหูปากลงไปเป็นส่วนมาก <ın> ผมขอชี้แจงเหตุผลสักนิดหน่อยพอให้เกิดเป็นข้อคิดบางที ท่านทั้งหลายก็อาจจะร่วมอยู่ในขบวนการนักบุญเกสากับผมด้วยก็ได้คืออวัยวะร่างกายของคนเราผมเป็นอวัยวะที่อยู่สูงกว่าอวัยวะทุกอย่างสูงเลยผมขึ้นไปไม่มีคนที่มีอวัยวะร่างกายเป็นปกติทุกคนและทุกชาติทุกภาษาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบนสุดของร่างกายคือผมอากจะมีอันเป็นอย่างอื่นบ้าง สำหรับคนที่อัตคัดผมก็เป็นข้อยกเว้นพิเศษและมีเป็นส่วนน้อยผมเป็นนวยวะประเภทนิมิตหรือนิมิตตาวัยวะคือเป็นนวยวะเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลถ้าเปรียบกับสิ่งของทั่วไปผมเปรียบเหมือนธงอย่างเช่นในสำนักงานราชการมีพัสดุอยู่สองประเภทคือสัมภาระวะัตถุพัสดุสัมภาระ มีไว้ใช้การเช่นโต๊ะเก้าอี้รถเรือเป็นต้นกับนิมิตต่วัตถุภาสนิมิตคือถงชาติบนยอดเสาถงชาตินั้นใช้ทําอะไรไม่ได้การฝนกันแดดไม่ได้แต่เป็นลักษณะและมิ่งขวัญของหน่วยอวัยวะเนร่างกายของคนเราก็เหมือนกันผมเป็นอวัยวะลักษณะเปรียบด้วยถงชาติ ส่วนอวัยวะอื่นๆตาหูปากมือเท้าเป็นอวัยวะใช้งานเปรียบด้วยสัมภาระวัตถุต่างๆทงชาตินั้นแม้จะใช้งานไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่อริยชนหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันผมบนศรีรษะของคนเราถ้าพูดถึงการใช้งานแล้วก็ไม่เห็นจะใช้ทำอะไรได้ตั้งแต่เกิดจนตาย ก็ไม่เคยว่าจะช่วยเราหาเงินสักสตางค์เดียวแต่คนเราก็ต้องจับจ่ายเพราะผมวันแล้ววันเล่าต้องตัดต้องดัดต้องสะต้องหวีต้องใส่น้ำมันสิ้นเปลืองไม่ใช่น้อยการจ่าย บ, บํารุงผมนั้นเป็นการจ่ายศูนย์แท้แเทียวแต่เราก็ต้องจ่ายและถือว่าเป็นรายจ่ายจาเป็นเสียด้วยเพราะอะไร เพราะผมเป็นนิมิตประจําตัวบุคคลพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องบอกให้รู้ค่าตัวของแต่ละคนในลำดับแรกที่สุดยกตัวอย่างให้คิดง่ายๆในภาษาไทยเราการพูดแสดงความนับถือต่อกันเราก็ใช้คำว่าผมเป็นพื้นที่ว่าผมเป็นนิมิตนั้น 1. ผมบอกวยัยคือบอกให้ทราบว่าใครอยู่ในวัยหนุ่มหรือแก่ บางทีดูที่อื่นไม่ได้ปากก็ยังไม่แก่ใจก็ยังไม่แก่แต่ผมมันบอกถ้าผมแซมก็เข้ามัชฉิมวัยถ้าผมขาวโพลนก็เข้าปัจฉิมวัยนี่ก็เป็นนิมิตเตือนใจคนไม่ให้ประมาท 2. ผมบอกฐานะคือบอกความสุขความทุกข์ของผู้นั้นอย่างเช่นคนที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องผม ทิ้งให้สกปรกรกดุงรังมากๆเราก็รู้ว่าเขามีความทุกข์อาจจะป่วยหรือยากจนหรืองานยุ่งหรือต้องระเหยเร่ร่อนเหล่านี้เป็นตน้น 3. ผมบอกวัฒนธรรมคือบอกความเจริญในสังคมของผู้นั้นแม้จะมีเครื่องแต่งตัวดีวราคาแพงแต่ปล่อยผมสีอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นอรยชนไม่ได้นึกดูง่ายว่า ถ้าจะมีใครคนหนึ่งแต่งตัวสากลผูกเน็กไทใส่เสื้อ น, นอกราคาแพงๆแต่ผมไม่ตัดไม่หวีไม่แต่งเลยก็หมดความหมายในความเป็นอริยะ 4. ผมบอกนิสัยใจคอเรื่องนี้เห็นจะทราบกันอยู่ทั่วไปในเรื่องทรงผมยิ่งถ้าดูส่วนลึกของจิตใจผมเป็นเครื่องบอกจริตของคนได้มากที่สุดเช่น คนราคัจจริศหวีผมเรียบแล้วหวีสรงยากๆจู้จี้กับการแต่งผมคนโทสัจจริตไม่สนใจเรื่องแต่งผมแล้วหวีผมส่งง่ายๆตัดผมก็นั่งหลับไม่ค่อยจ้องกระจกเงาเหมือนคนราคัจจริตดังนี้เป็นต้นเพียงเท่านี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่าผมเป็นอวัยวะประเภทสัญลักษณ์หรือนิมิตตาวัยวะ ในทางศาสนาก็สนใจกับเรื่องผมอยู่ไม่น้อยจนถึงมีบัญญัติให้จัดการกับผมกันทีเดียวเช่นศาสนาพุทธถ้าบวชเป็นภิกษุสมณีต้องโกนผมหมดยาวเกินสององคุลีหรือเว้นการโกนเกินสองเดือนไม่ได้โดยปกติแล้วต้องโกนเดือนละครั้งข้างฝ่ายศาสนาซิกห้ามตัดผมตลอดชีวิตแต่ให้บำรุงรักษา ศา ส, สนาฮินดูบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีแล้วก็ไม่ตัดไม่โกนเหมือนกันนี่ยกมาพอให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าผมเป็นอวัยวะที่ทางศาสนาสนใจมากถึงกับถือเอาเป็นข้อแตกต่างแห่งครหัสและบรประชิตและเป็นเครื่องหมายของผู้นับถือศาสนารวมความว่าผมเป็นสิ่งสั ญ, ญลักษณ์ประจาตัวบุคคลจึงเป็นที่หวงแหนของคนทุกคน สำหรับคนทั่วไปแล้วไม่ยอมให้ใครรูปครามหรือเล่นบนผมกันได้เขาถือกันทั้งนั้นคนที่เล่นบนหัวคนได้โดยที่เขาไม่ถือก็จะเห็นมีแต่ช่างตัดผมนี่กระมังถึงกระนั้นเขาก็ไม่ปล่อยให้เล่นตามใจต้องคอยควบคุมอยู่ทุกขณะท่านทั้งหลายเคยเห็นอาชีพใดบ้างที่ผู้รับบริการส่องกระจก ดูผู้ให้บริการทำกับตัวอยู่ตลอดเวลาหมอนวดก็ไม่ต้องตั้งกระจกไว้ให้หมอถอนฟันก็ไม่ต้องตั้งกระจกไว้ให้หมอผ่าตัดก็ไม่ต้องแต่ช่างตัดผมต้องตั้งกระจกไว้ให้ผู้ตัดผมดูทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งนี้ก็เพราะการตัดผมเป็นงานที่เราทำกับสิ่งที่เขาหวงแหนมากนั่นเองด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนึก คิดไว้เสมอว่าช่างตัดผมเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องสําคัญมากในข้อนี้เองข้าพเจ้าจึงเห็นว่าอาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพสูงและมีเกียรติจงนึกเสมอว่ากระจกเงาที่ท่านติดไว้ในห้องตัดผมนั้นคือสิ่งเตือนใจเราว่าท่านกําลังทํางานสําคัญมากแก่คนอื่นนอกจากนี้ผมขอให้ข้อคิดด้วยว่า ปัจจุบันนี้ประชากรของโลกกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันเฉพาะประเทศไทยเราก็ถึง25ล้านสี่แสนแล้วและยังเกิดอยู่ทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งเกือบ 2,000 คนแล้วเป็นหญิงกับชายตีเสอว่าคนละครึ่งผู้ชายทุกคนต้องตัดผมทั้งนั้นเล็ดลอดไปทางอื่นบ้างก็คงไม่เท่าไหร่ข้อนี้ก็แสดงว่าอาชีพช่างตัดผม นับวันแต่จะกว้างขวางยิ่งขึ้นแต่อยากจะฝากข้อสังเกตนิดหน่อยว่าการแข่งขันกันในอาชีพนี้ก็นับวันจะมากขึ้นช่างตัดผมที่จะประสบความล้มเหลวนั้นก็มีอยู่มากมูลเหตุสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัดผมไม่เป็นแต่อยู่ที่ช่างไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดียกตัวอย่างร้านตัดผมที่ผมเองเลิอกอุดหนุนหลายแห่งเช่นขณะที่กําลังบริการอยู่ ช่างกับช่างคุยกันในเรื่องหยาบโลนเหมือนไม่มีแขกอยู่ในร้านเลยบางรายพูดจนเราต้องคอยหลบน้ำลายบางรายทนกลิ่นปากไม่ไหวดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดไว้การย้อนกลับมาปรับปรุงตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับช่างตัดผมห้องตัดผมทุกแห่งเต็มไปด้วยกระจกเงา แต่ช่างตัดผมที่ประสบความล้มเหลวมักจะเนื่องมาจากคิดจะให้แต่ลูกค้าส่องกระจกตัวเองไม่ได้ส่องเสียบ้างคือคิดจะแต่งให้แต่เขาเราไม่แต่งท่านทั้งหลายที่จะออกไปประกอบอาชีพช่างตัดผมขอให้คิดไว้เสมอว่าอาชีพของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตะไคร้แต่ขึ้นอยู่กับกระจกเงา หากสงสัยว่าอาชีพของท่านจะดีหรือไม่และควรปรับปรุงอย่างไรก็ให้ถามกระจกเงาก็แล้วกันกระจกเงาเป็นยันวิเศษที่จะทำให้อาชีพของเราก้าวหน้าในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขออวยพรด้วยอานาจคุณพระศีรัตนตรยัยขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการสอบความรู้แล ะ, จะเจริญ ง, งอกงามในอาชีพพิเศษนี้จงทุกคน ส8กันยายน 2,509